นอบน้อมคุณพระศรีรัตนาตราแล้วก็ขอกราบคราวว่าครูบาอาจารย์นับจากหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนเถรานุเถระอาจารย์โนตอาจารย์สุรินอาจารย์ตุ้มพันเตแล้วก็เพื่อนสระพรมจารีทุกทท่านเจริญพรมายังแม่ชีญาติโยมนะก็ฟังธรรมตามสบายนะ ถ้ามาพูดไม่ยาวคือจะพูดถึงเรื่องทางสายกลางอีกครั้งหนึ่งอั น, นี้ก่อนจะกลิ่นคำตรัสของพระเจ้าคำบึงที่น่าสนใจบุคคลผู้ไม่เคยได้สะดับจะสามารถล่วงรู้ถึงอริยสัจ4นั้นเนี่ย เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยสับอริยสัจสีมาก่อนจะบรรลุหรือทำที่สุดแห่งทุกนั้นเนี่ยยิ่งเป็นไปยิ่งไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะคำนี้เราค่อยๆ ค, ค, คลี่คลายในโอกาสต่อๆไปธรรมาจะขยายความเรื่อง ทางสายกลางเพิ่มเพิ่มเพราะว่าวันก่อนมีโอกาสพูดแสดงธรรมแล้วก็อาจจะสั้นและรวบลัดไปความเดิมคือในยุคพุทธกาลเนี่ยมีสองทิฏฐิเนาะทิฏฐิหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิที่เป็นแกนหลักนะคือเรียกว่าสัจส ะ, ะทิฏฐิกับอุเฉทิฏฐิสัจส ะ, ะทิฏฐิก็คือ เชื่อเรื่องตัวตนอย่างยั่งยืนน ะ, อะมองแบบสุดขั้วกัแบบตัวตนแบบยั่งยืนส่วนอุจเฉทิฏฐิเนี่ยก็คือมองว่าไม่มีอัตตาเนี่ยมีแค่นี้แล้วก็พอพอกายนี้อินรีนี้ทําลายแล้วก็คือดับศูนย์ไปสองทัศนนี้เนี่ยแตกย่อยก็เหมือนกับแตกย่อยออกมาเป็นอีก62ทิบสทิฏฐินะว่า 62ทิฏฐิอา้าวไล่ก็ยาวไล่ยาวเลยก็เอาเป็นง่ายๆว่าอมองว่าโลกก็คือคำถามที่มักจะมีถามว่าอัตตาเที่ยงโลกเที่ยงใช่ไหมอัตตาไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงใช่ไหมเนาะแล้วก็โลกนี่มีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุดชีวะก็อันนั้นสัีละก็อันนั้นหมายความว่าชีวะนี่หมายถึงว่า ก็คือบุคคลเนี่ยเรากําหนดเองทุกอย่างชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นก็หมายถึงว่าคนอื่นกําหนดคนอื่นกระทรรําตถาคตเมื่อตายแล้วยังมีอีกหรือไม่หรือตถาคตตายแล้วไม่มีอีกหรือตถาคตตายแล้วมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือตถาคตเมื่อตายแล้วมีก็ใช่ไม่มีก็ใช่เนาะ รวบรวม62ทิทิฏฐิเหล่านี้ทิฏฐิเหล่านี้เรากล่าวว่าอยู่ในสมัยพุทธกาลก็เลยกำหนดด้วยความเชื่อทิฏฐิเหล่านี้นะก็เลยทำให้บุคคลเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความแก้ปัญหาทุกต่างๆด้วยสองแนวทางใหญ่ๆก็คือการสุขาลิการนิโยกใช่ไหกับอัตตะกิรมาฐานุโยกที่เรา สวดกันในธาากกรรมจักรกระเปาะวัตนะสูตกรการสุขาลิกานที่โยกก็คือว่าก็คือมาจากทิฏฐิที่ว่าเป็นอุเฉทิฏฐิคือกายเนี่ยเรามีเพียงแค่เนี้ยพอตายแล้วก็จบกันแล้วจบกันไปเพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็เสพกามตาหูจมูกรูปเสียงกลิ่นรสเต็มที่ไปเลยจบแล้วจบกันไปนี่คืออุเฉทิฏฐิแต่ศาสนาทิฏฐินี่ก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมองว่า กายเนี่ยตา อ, อัตตาเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะความเชื่ออย่างเนี้ยก็จะเป็นความเชื่อในการกําหนดชั้นวันณะขึ้นในยุคสมัยนูน้นจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ชนชั้นวันณะเนี่ยดั้งเดิมมาจากเปอร์เซียชาวดาวิเดียนที่อพยพตีเข้ามาในเขตหิมาลัยแล้วก็เข้าไปอยู่ในชมพูทวีนะก็ก็คือรากเดิมของศาสนาที่ซึ่งชนชั้นวันณนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในเปอร์เซียอยู่นะ อาณาจักรเปอร์เซียถ้าสุดกูก็คือชาตินี้ถ้าฉันเป็นกรรมกรฉันเป็นกษัตริย์ฉันเป็นพราหมณ์น ะ, อ, ะอันไปถึงสมัยนู้นฉันเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยชาติต่ อ, ต, อต่อไปก็ยังจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอยู่เรื่อยๆนี่คือศั ต, ตทิฏฐิเพะฉะนัะความเชื่ออย่างนี้ก็จะกําหนดวิถี ชีวิตของเขาด้วยการที่มองว่าเนี่ยอาจาจะจะพ้นทุกข์ด้วยไงก็ด้วยกายตัวเนี้ยเป็นตัวทุกข์ก็จะสุดกู่ก็คือจะเป็นแบบโยคีโยคะหรือการทาร้ายร่างกายตัวเราเองนะไปเรื่อยๆโดยเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นตัวกิเลสเนี่ยคือกองกิเลสเนาะแล้วก็จะจะพ้นจากทุกข์ได้ก็ด้วยด้วยหนทางอันนี้แต่นี่คือการมองอย่างสุดกก่ มองมองอย่างสุดขั้วความผสมผสานของทัศนะนี้ก็คือตะกี้ที่อธิบายคร่าวๆว่าผสมผสานด้วยดีกรีต่างกันหยิบตรงนี้มา 10% หยิบตรงนั้นมา 90% หยิบตรงนี้นมา 20% หยิบตรงนั้นมา 80% หรือหยิบตรงนั้นมา 10% หยิบตรงนี้นมาผสมผสานเป็น62ิทิศทิใน62ทิศทินี้เนี่ยก็ ก, ก็ก็จะกำหนด ขนทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาทุกก็ด้วยสองแนวทางนี้เหมือนกันก็คือการสุ ข, ขาการิการนิยมตามดีกรีของมันคราวนี้พอดอีในโลกทุกวนันนี้เราใช้คําว่ามัชชิมาใช้คําว่าทางสายกลางก็เลยไปสับสนกับคําของของพระพุทธเจ้าเราที่ว่ามัชชิมาปฏิปทานะซึ่งแปลว่าทางสายกลางซึ่ง ความขัดแย้งในโลกทุกวันนี้มันสมว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงตีกันนะเออเราจะเอาความพอดีมันตรงนี้ตรงไหนก็คือเอาผลประโยชน์ของทั้งสองเสงสองอย่างนี้มาผสมกันแล้วมาปันดีปันนอมมาปลองดองกันนั่นะคือภาษาที่ใช้ทุกวันนี้ที่เราอิงภาษาเดิมของเราแม้กระทั่งในภาษาอังกฤษก็ยังแปลว่า m i d เด e part ใช่ไหมก็คือเป็นทางสายกลางหรือแม้กระทั่งในหนังบางเรื่องอย่างหล่ออับเดลิงใช่ไหมก็ยังใช้คำว่ามิ d เด e ลเอิร์ธเฉยคื อ, คอ คือเราเอาคอาใช้เรียนคําพูดนี้มาใช้แต่ว่าสมัยพระเจ้าไม่ได้หมายถึงอย่างนี้ไม่ได้ทางสายการพระเจ้าไม่เอาไม่ได้เอาทิฏฐิอุเฉทิฏฐิกับสัจจะทิฏฐิสองอย่างนี้มาปนกันและหาตรงกลางมันนี่มันตรงไหนนะที่มีอัตราครึ่งหนึ่งไม่ใช่ไหแล้วก็เป็นขา่าวศูนย์ครึ่งหนึง่งใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เราเท่าที่เรารู้ไม่ใช่พุทธศาสนาเราไม่ได้ ไม่ได้มีแกนทิฏฐิอย่างนั้นหรือในหนทางการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่า เ, าเราเสบการส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำโยโคียส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่นะค่าคืนวันเพ็ญเดือนหกใช่ไหมในวันวิสาขะในยามสามก่อนรูกอรุณสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือปฏิจจสมุปบาทก็คือ ปฏิจจสมุปาคือหรืออิทัพ ป, ปจิยัตาปฏิจะสมุบบาทพอดีเรามีแต่สวดในบทของเราเพียงแค่คำสั้นๆแต่เอาเป็นว่าง่า ย, ายๆชักคร่าวๆไปก่อนว่าเพราะเหตุนี้เหตุนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งที่เกิดขึ้ น, นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการดับลงแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปจะเห็นว่านี่คือแก่นของพุทธศาสนาซึ่งพระเจ้าตรงนี้มาขยายลงสู่ปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารอันใดอันหนึ่งจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูป จึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีพบเพราะมีพบจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะธมนะสุปายาสะกองทุกทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยเพราะเหตุนี้จะเห็นว่าเราไม่ได้ยึด เพราะปฏิปทาทิฏฐิทางพุทธสถาไม่ได้ยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการตายตัวเป็นเพราะมีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้เพราะเหตุนี้จึงเกิดเหตุนี้ขึ้นเพราะเหตุนี้จึงเกิดเหตุนี้ขึ้นจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าชาติชารามรณะที่เรา เ, เพิ่งสวดไปวันนี้เรื่องเทวทูตทั้งสี่ซึ่งพระสูรนี้ก็มีความสำคัญเพราะ ถ้าเรายังไม่เห็นทั้งสี่เทวทูตนี้ว่าเป็นทุกข์เมื่อใดเนี่ยพูดยังไงก็จะไม่เข้าหามาเข้าสู่พุทธศาสนาตามหลักอริยสัจสี่ตราบใดทิฏฐิิเหล่านี้ยังไม่เห็นว่าเป็นอ่าไม่มองว่าไม่เป็นทุกข์ฉันไม่เห็นเป็นทุกข์เลยทําไมฉันต้องมาฟังธรรมทําไมฉันต้องมาปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ฉันก็มีชีวิตที่สุขสบายใช่ไหม นี่คือความเบื้องต้นนะของการไม่รู้ตั้งแต่อวิชชาแลวเพราะไม่มีเพราะว่าไม่รู้แต่แรกมันกองทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดขึ้นตามมานะเอาละ่ะเดี๋ยวไปไกลกลับไปที่เก่ากลับไปที่ทิศหิ62นะนั่นคือพุทธการก็จบแค่พุทธการใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเปล่า เป็นเพาว่าทางสายกลางไม่ใช่เป็นอย่างที่ว่าเอาสองทิฏฐินี้มารวมกันล้วหารสองถูกไหแม้ขนทางการปฏิบัติตามปฏิจจสุบาติซึ่งเมื่อแปลงจากภาคปริยัตมาเป็นภาคปฏิบัติก็นําสู่อริยมรรคมีองค์8นับตั้งแต่มีสามมาทิฏฐิเมื่อเรามีทิฏฐิที่ถูกต้องรู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเพราะเหตุให้เกิดทุกข์สามารถดับทุกข์ได้ อาละแต่ดับยังไงก็ด้วยอริยมรรคมีองแปดนะทุกข์นิโรธคาม่มีปฏิปทาหนทางแห่งการดับทุกขหนทางแห่งการตัดทุกให้ไม่เหลือนะทุกข์หรือทุกนิโรธก็คือการดับคามิมีธามิมีไม่เหลือปฏิปทาหนทางปฏิบัติอริยมรรคมีองแปดก็คือหนทางจะเห็นว่า ไม่ไม่เกี่ยวกับการสุขขันเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอัธากิาริมัธานิการนุโยะอ่าฐานุโยะเราเข้าสู่อริยมรรคบิยงแปดอริยมรรคมิยงแปดที่พูดถึงที่นี้อีกคําหนึ่งก็คือการถือพรหมจรรย์เนาะการถือพรหมจรรย์พรหมจรรย์ยังไงเราชัดไหมอริยมรรคบิยงแปดที่ถีถูกปุ๊บอันดับที่สองสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปะความดําริชอบคือเราตั้งจิตเจตนาแล้วว่าดําริชอบเราละมีดําริที่จะออกจากกรรมคือกามคุนทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือความสะดวกสบายต่างๆเหล่านี้เราจะละการมอาการพยาบาทและเราจะละการเบียดเบียนใช่ไหมนะแล้วต่อไปสัมมาวาจา นี่ก็เป็นเรามีเจตนาที่จะไม่มุสาไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบคายนะแล้วก็ไม่พูดจาส่อเสียดสา ม, มากกรรมตาเราไม่ฆ่าเราหยุดเราเจตนาจะไม่ฆ่าเราเจตนานะอัตมาเว้นเน้นคำนี้ไว้นิดหนึ่งเพราะว่าอาตมามองค์แปยังเป็นระดับอาสวะนะยังมี มีมีการยึดบางอย่างอยู่จะไม่ใช่เป็นอาณาสะวะก็ยังเราจะเจตนาจะไม่ฆ่าจะไม่ขโมยและไม่ประพฤติผิดในกามรวมทั้งหมดนี้การตั้งอยู่แห่งกายนามรูปนี้ก็คือมีสัมมาอาชีวแล้วก็เรามีสัมมาวิริยะสัมมาสติสัมมาสมาธิแตมาจะ ฝากไว้ตรงนี้ก่อนกลับไปที่ทิฏฐิอกสองอีกครั้งหนึ่งตะกี้พิจารชี้เห็นว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยกับทางสายกลางกับผลทางสายกลางที่ทางโลกที่พูดพูดกันนะก็คิดว่าน่าจะชัดระดับหนึ่งประเด็นคือทิฏฐสองทิฏฐินี้หรือกระจายเป็นหกสทิฏฐินี้จบแล้วใช่ไหมในพุทธกาลปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม เราไม่ได้เป็นความจริงไม่ใช่สอง ท, ทิินี้ก็ยังคงค้างมาจนถึงโลกปัจจุบันเรามองเห็นหรือไม่นะเราเราทุกวันนี้เราก็ อ, าอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ เราจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาต่างๆทุกวันนี้ด้วยการที่เพื่อที่จะสนองความพึงพอใจอ่ายตัวอย่างอย่างเราจะใช้หนทางวิธีทางการตลาดเพื่อสนองอัทธประโยชน์ของบุคคลนะเพื่อให้บรรลุ ค, ความพึงพอใจในการได้ดูด้วยความสนุกทั้งตา ได้ลิ้มรสอร่อยทางปากได้ดมกลิ่นหอมต่างๆมากมายและได้ฟังเสียงอันไพเราะเพราะพริง้งเหล่านั้นไปเสริมราคานุัยครั้งแล้วครั้งเล่าต่างๆเหล่านี้สองทินี้เนี่ยกล่าวถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นสองทิศที่ยังในส่วนของ น, นี่คืออุเฉ ท, ทิฐิที่ตัดสินใจแล้วว่ า, าเร า, า ไ, มไม่มีไม่มีชาติหน้าไม่มีชาติต่ตอไปไม่มีชาติอะไรอีกใช่ไหมเพะะื่อนก็จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สนุกทุกๆขั้มของการทำงานจบก็จะไปเที่ยวไปอะไรต่างๆแล้วก็ไม่คิดอะไรมากถ้าพูดถึงสุดตรง ทิฏฐินี้ก็นำไปสู่ความเชื่อทางเศรษฐศาสตร์และนำไปสู่ความเชื่อทางการเมืองด้วยใช่ไหมในบางยุคสมัยก็มีความเชื่อว่าเราเนี่ยก็แค่ภูตะรูปทั้ง4ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมาจากบิดามรรดาตายแล้วก็จบกันไปมันเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นไม่มีหลอกชาติหน้าชาติไห น, ไหนอะไรต่าง นั่นก็คือแนวคิดทางปรัชญาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็คือสสารนิยมหรือวัตถุนิยมเนาะพอเป็นอย่างนี้เมื่อมองโลกอย่างนี้ในโลกปัจจุบันนี้อุจฉิตอุเฉ ท, ทิฏฐิที่เป็นมองโลกอย่างขาศูนย์ก็อยู่ในฐานะนําในฐานะนํามองว่าทุกอย่างนี่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ด้วยทั้งวัตถุหรือ ทางวิทยาศาสตร์ที่ยังกล่าวทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นอันจบสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเนี่ยได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วว่าระหว่างสัสตตถทิฏฐิกับอุเฉทิฏ ฐ, ฐ, ฐิเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคืออุเฉทิฏฐิอุเฉทิฏฐิเนี่ยในอนาคตจะมองว่าคนเนี่ยเป็นเพียงแค่ก้อนเนื้อที่เดินได้ก้อนเนื้อที่เดินได้นี้เนี่ยเมื่อถึงยามมองว่า สิ่งเหล่านี้คือก้อนเนื้อที่เดือดแต่การแก้ปัญหาต่างๆก็คือสามารถฆ่าได้ทำลายได้ความเชื่อเหล่านี้ทิฏฐิเหล่านี้อันตรายมาจนทุกวันนี้เพราะอะไรสงครามเราดูใกล้ๆมาเนี่ยนะการฆ่าตั้งแต่ต่างรัฐิกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหม เราค่าได้เราทําได้เพราะเราก็เพียงแค่ความเชื่ออย่างนั้นเรายังไม่ต้องไปพูดถึงกรณีของขมิ้นแดงที่ตายไปเป็นล้านหรือที่โซเวียตหรือว่าที่จีนที่ปฏิวัติวัฒนธรรมปฏิบัติที่ดินการแก้ปัญหาคืออาจจะมีเจตนาเรื่องหนึ่งแต่การแก้ปัญหาคือมองสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ก้อนเนื้อแต่ไม่ใช่ว่า ส, สตัตว์ต่างถิในโลกทุกวันนี้จะไม่ทําอย่างนี้ สัจธรรมิตฐิที่มองทุกอย่างเป็นตัวตนก็ไม่ได้ก่อให้น้อยไปกว่าระดับสงครามโลกครั้งที่สองที่แย่งชิงแผ่นดินกันสงครามโลกครั้งที่สองตายกัน50ิกว่าล้านคนที่ยุโรปแต่ไม่มีใครเคยนับตัวเลขได้ว่าความเชื่อที่ว่าเนี่ยเป็นแม่มดเนี่ยเป็นแม่มดที่เกิดขึ้นในตะวันตกเพียงแค่เด็กคนหนึ่งชี้ว่าคนที่เป็นแม่มดก็จบไปเผาทั้งเป็น สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามทั่วทุกหัวแหลแหงในยุโรปซึ่งก็นับเป็นล้านเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าเนี่ยเป็นตัวตนนะแล้วก็ด้วยความเชื่อที่ r a n k e n s t ต i n แล้วก็กร ะ, กระบาดเป็นกระแสนะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราสู้เพื่อสู้ตายนะี่อันนี้อาจจะไปมีการยอมผิชีพ ต่างๆมากมายเพราะว่าเชื่อในอัตตาข้างหน้าจะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจะได้ไปอยู่บนสูงสวรรค์นี่ก็ยังเป็นทิฏฐิที่สองทิฏฐินี้สู้กันอยู่ทุกวันนี้นับจากพูทธการจนถึงปัจจุบันทิฏฐิเหล่านี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมหมดเพียงแต่ใช้ภาษาพูดว่าคอมมินิตหรือทุนทนิยมทุนนิยมกับคอมมินิตทุกวันนี้ก็คืออุเฉทิฏฐิเป็นอันเดียวกัน ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่พระเจ้าสรุปว่าไงกล่าวมาทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยเปรียบเสมือนชาวประมงเรือประมงใหญ่ก็ได้อยู่ในทะเลลากอวนขนาดใหญ่อวนเนี่ยลากมาทิฐิเหล่านี้เนี่ยกาวอย่างไรก็ยังเป็นเหมือนกันหมดเพราะอะไรเปรียบเสมือน ปลาที่อยู่ล้อมอยู่ในอวนนี้ผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วก็ดำลงไปก็ยังคงอยู่ในอวนนี้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะก้าวพ้นไปจากทิศนี้ได้ต่างฝ่ายต่างใช้ทิิตัวเองกําหนดหนทางชีวิตตัวเองบัญญัติการสู่วิมุตติการพ้นทุกขตามบัญญัติของตัวเองด้วยหนทางตัวเองเพราะอะไรเพราะอะไรพระเจ้าถึงกล่าวว่าเปรียกสมุนปลาที่อยู่ในอวนนี้ยังมากก็ผุดขึ้นดำลง ก็ยังคงถูกล้อมอยู่ในอวด น, นี้พวกเขาก็ยังคงยึดติดอยู่กับขันห้านั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างฝ่ายต่างใช้ทิฏฐินี้กําหน ด, ไ ด, ไ, ดได้รับสุขทุกขเวทนาตามทิฏฐินั้นแล้วก็กําหนดเวทนานั้นเป็นวิมุตติของเขาเป็นหนทางของเขา กลาวมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นชัดมากขึ้นว่าทางสายกลางของเรามัชิมมาปฏิปทาไม่เกี่ยวเลยใช่ไห <c oughs> กับเรื่องเหล่านี้เรากับไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้พระเจ้ารู้แจ้งรู้แจ้ง เ, เรื่องราวเหล่านี้หมดและเห็นว่าก็ด้วยเพราะความรู้แจ้งเหล่านี้ แม้การรู้แจ้งนี้พู้เจ้าก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในการรู้แจ้งอันนี้ก็ปล่อยวางเหมือนกันนะกลับมาสู่โลกยุค ป, ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเชื่อกันยุคสมัย มันใกล้ช่้งตั้งแต่ในประมาณสักห้าสิบปีมานี้เนี่ยความคิดนี้เป็นความคิดที่แพร่หลายมากอัามานำเสนอขึ้นมาเพื่อให้ลองคบคิดดูว่าใช่ไหมนะลองลองไปพิจารณาดูาพราพอเราพยายามพิสูจน์สิรร่งต่างๆ ด้วยหนทางทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะด้วยเคมีหรือ ด, ด้วยการทดลองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันปรากฏจริงตามอยายตนะที่เราสัมผัสได้ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจนี่ยังเป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์กันอีกระยะเป็นอีกยาวนะอิทธิพลความคิดนี้เนี่ย อันไหนที่เป็นลักษณะที่เราเชื่อว่าเป็นอะไรสว่วว่านลกสวรรค์ถ้าตมากล่าวเรื่องนาลกสวรรค์เนี่ยปฐตมาไม่มั่นใจว่าพวกเราในยุคปัจจุบันฟังแล้วรู้สึกว่าอืมมันจะยอมรับได้ไหมใช่ไหมคำอธิบายใหม่ๆทุกวันนี้สวรรค์อยู่ในอกนาลกอยู่ในใจเราอธิบายเป็นปัญหาเรื่องของจิตกันหมด เป็นเรื่องของวาละทางจิตบ้างอะไรเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้มีคำของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าจำนวนมากที่กล่าวถึงเรื่องนรกสวรรค์อาตมาพูดถึงคำสอนของพู้เจ้าโดยตรงนะไม่ใช่จากสาวก ไม่ใช่จากสาวกในฐานะที่ผู้เดินตามมักไม่ใช่จากสาวกในฐานะที่เป็นผู้เดินตามคำของพระเจ้าจำนวนมากที่เป็นเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยก็จะดูเหมือนเป็นเรื่องของความเหลวไหลไปเพราะว่าเราเรามีการใช้ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มาเป็นตัววิจารย์ญาณในการตัดสินสิ่งใดเป็นสัจจะสิ่งใดไม่ใช่สัจจะ จริงมันมีความเป็นเหตุเป็นผลแต่ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปสิ่งเหล่านี้จนเร็วจนเกินไปคร น, นี้ผลกระทบของความคิดที่เป็นวิทยา ศ, าศาสตร์เนี่ยมีต่อพุทธศาสนาเราไหมมีน ะ, ะมันมีไม่น้อยกับสมัยพุทธกาลที่การแตกเป็นเทราวาดกับมหายานเนี่ย พอๆกันเทรวามาหายานพูดคร่าๆวๆเราโต้แยะมีการเพราะการพัฒนาจากพราอมาเป็นฮินดูมีการแข่งกันระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นๆขึ้นมานะแล้วก็ภายในเองก็ต้องต่อสู้กับความเห็นของอของฮินดูที่ที่เริ่มเข้มแข็งขึ้นมาก็เลยทำให้อ มีการแตกความเห็นทางด้านมหายานกับเทรวาตขึ้นอันนี้เป็นบางส่วนของประวัติศาสตร์แต่ในส่วนของอก็เลยมีกามแตกแต่ว่าในส่วนของอความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้การคาบรรยายบางคำนิยามบางคาของพระเจ้าเนี่ยผิดเพี้ยนไปเช่นสมมติว่าตะเกียรตามาพูดถึงชาติชารา มรณะพระเจ้าเนี่ยพูดคำว่าชาติเนี่ยคือการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นอย่างยิ่งการบังเกิดขึ้นการครบการครบของขันทั้งห้าการอยู่ครบของอยายตนะทั้งห้านะฟังนิยามตรงนี้ชัดๆนิดนึงนะการบังเกิดขึ้นการก้าวลงสู่ขันชลาาลาพระเจ้านิยายว่าคือ การมีผมงอกการมีฟันหลุดล่วงการแก่งอมหนังเอี่ยวมรณะคือการทิ้งขันทั้งห้าการทิ้งอินทรีย์ทั้งห้ากายเ น, านเ่าเน้าคร่าวๆแต่ว่าในปัจจุบันเราให้ความหมายเพียงแค่ว่าเป็นการเกิดของจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับ นั่นคื อ, อาการชาตินั่นคือชาติแล้วก็ชลาแล้วก็มรณะนะใช่ไหมตรงกับ น, นิยามที่ผู้เจ้ากำหนดไหมใช่ไ ม, ไม่ถ้าถ้าตรงไปตรงมาจากภาษานี้ก็คือไม่ใชน่นั่นเป็นการตีความของเราในปัจจุบัน เพราะว่าความคิดิที่เป็นวิทยาศาสตร์นี้กาหนดให้เราเลี่ยงที่จะตอบคำถามเหล่านี้เรื่องการเกิดใหม่การเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนี้เลยต้องมาอธิบายเป็นเรื่องของวาลัจิตหรือไม่แล้วเมื่อเราไม่ยึดมั่นไม่ แม่นในนิยามที่พระเจ้านิยามไว้การกระกระดุมเม็ดแรกนั่นหมายกวาวว่าถ้ากลัดผิดใช่ไหมคือผิดทั้งแถวถูกไหมเมื่อผิดทั้งแถวคำถามคืออา้าวแล้วหมายความว่ายังไงการตีความที่ผ่านมาทั้งหมด ก็มีเรื่องราวมากมายที่เราจะต้องค้นคว้าแล้วก็ช่วยกันดูนะมีตัวอย่างเล็กๆนิดหนึ่งครั้งหนึ่งนิครน นีครนคือพวกศาสนาเชนเนี่ยเขามีอุปถากใหญ่ของเขาคล้ายๆกับอนนาตามินทิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นอุปถากใหญ่ของพระพุทธศาสนาชื่ออุบาลีเขาเนี่ยเป็นขลราวาสของทางเชนเขาอยากจะมา ม, มันเคี้ยวอยากจะมาโต้แย้งกับพระเจ้าทางเชนเนี่ยเขาถือว่าเขาเทางเราใช้คำว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรม ทางเชนเขาใช้ว่ากายพลึกว่าจีตพึกมโนพลึกทางเขาเนี่ยถือว่ากายนี่เป็นใหญ่แต่ทางเราเนี่ยมโนเศรามโนมยาของเราเนี่ยจิตเป็นใหญ่แต่ข้อที่จริงอย่างไรก็แล้วแต่การโต้แย้งมีประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจจริงจงน่าสนใจทุกประเด็นเป็นแต่ว่ายกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าพอดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นหนึ่งที่มาโต้แย้งกับพระเจ้าเนี่ย กว่าจะมาโต้แย้งได้ก็ใช้เวลาเยอะนะถกเถียงกันภายในกลุ่มเชนแล้วกว่าจะมาได้มาโต้แยง้งกเจ้าว่ า, อ, าอัตตาเรื่องอัตตานี่แหละเรื่องกายเป็นใหญ่หรือจิตเป็นใหญ่ถ้าพวกเร า, เ, าเชื่อว่ามโนเสรษฐามโนยะมายาสูตรนี้จริงลองฟังตัวนี้ปลา เอาเซจว่าเ อ, าอาสมมติว่าป่าหิมพา น, นี่ที่ฤาษีอยู่เนี่ยจเจริญเติบโต ง, งอกงามพันปี อ, อุบาลีนิครณเนี่ยที่เป็นอัวาถาของของนิครณถึงเชนเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่กายเนี่ยเป็นตัวที่ปลูกป่าตัวนี้สร้างขึ้นมาเพราะเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ฤาษีจิตของฤาษีต่างหากเป็นผู้ที่บันดาลให้ ป่าผิืนนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็นิครนก็ยอมจำนนในพระสูตรไม่อธิบายมากแต่พระเป็นเถือว่ารู้ว่าป่าเถื่อนเนี่ยเกิดขึ้นโดยใช้จิตเป็นใหญ่อธิบาอาตมายกตัวอย่างนี้แบบห้วนๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคาว่ามโนเศรษฐามโนวิยาจิตเป็นใหญ่เนี่ย เพื่อให้เห็นแค่ภาพคร่าวๆแต่ว่าค่อยไปตกเฉียงพิสูจน์กันในทางปฏิบัติของแต่ละท่านนะก็พอเป็นอย่างนั้นเรากัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกก็จะผิดทั้งแถวไหมอันนั้นก็ต้องไปแงะดูว่าอะไรเป็นอะไรนะอ มีคำหนึง่งเราปฏิบัติธรรมพระเจ้าให้หลัปกประกานไว้ว่าเธอเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ย่อมบรรลุภายในเจ็ดวันถ้าไม่บรรลุภายในเจวันย่อมบรรลุภายในเจ็เดือนไม่บรรลุภายในเจ็เดือนต้องบรรลุภายในเจ็ปีเมื่อพระพุทธศาสนาจเจริญ ยังยืนพระศาสดาของเราก็ยังถือว่ายังอยู่พระธรรมของเราก็ยังอยู่นะมีผู้ปฏิติธรรมพระสงฆ์ของเราก็ยังอยู่ครบเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีหลักปรกรนนี้ยังจริงอยู่หรือไม่ถ้าจริงถ้าจริงตัวอย่างถ้าไม่จริง ถ้าถ้าไม่จริงเราต้องเชื่อว่าจริงถูกมหเพราะว่าจริงแต่อยู่ที่ไหนตัวอย่างให้เราเนาะก็ทิ้งท้ายเป็นคำถามไว้โอกาสต่อๆไปค่อยหาคาตอบนะโยมอย่าอมยิ้ม <c oughs> อาตามาให้พระสุขทันึง พระธวาชคุยกับพระพุทธเจ้าถามคำถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระสมณะโคดมผู้เจริญการจะรักษาสัจจะเนี่ยรักษากระทําอย่างไรบุคคลจะรักษาสัจจะจะ ต, ต้องกระทําอย่างไรพระสมณะโคดม บัญญัติการรักษาสัจจะอย่างไรภาระะวาชะพึงบุพึงสันติฐานด้วยว่าอย่าพึงคิดว่ามีเพียงสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเรานั้นบัญญัติว่าการกระทาซึ่ง การรักษาสัจจานั t t ้นโดยเพียงพึงสนิฐานว่ามีอย่าพึงมีเพียงสิ่งนี้จริงสิ่ ง, งอื่นเปล่าบุคคล น, นั้นจะกระทำเพื่อการรักษาสัจจานั้นพึงสน Enc ิฐานไว้ว่าอย่าพึงมีสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าพารัตวาชะแต่นี่เพียงแค่เป็นการรักษาสัจจายังไม่ใช่เป็นการตามเห็นสัจจ์ ภาละทวาชะถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระสมณโคดมผู้เจริญพระสมณโคดมบัญญัติการกระทาซึ่งการตามหาสัจจะอย่างไรบุคคลจะตามหาสัจจะได้อย่างไรดูก่อนภาละทวาชะอ่า เมื่อบุคคลเห็นสมณะย่อมพิจารณาสมณะว่าเออสมณะตนนี้มีโลภะไหมมีโทสะไหมมีโมหะไหมเมื่อมเมื่อเห็นว่าเป็นที่น่าเลื่อมใสภาลัทธวาชชะเพราะมีศรัทธาจึงเข้าหา เพราะมเาีเพราะเข้าหาจึงได้นั่งฟังธรรมจึงได้เงียสลดลงฟังเพราะเงียสนดลงฟังจึงได้ฟังธรรมเพราะได้ฟังธรรมจึงได้ทรงจำาทันนั้นไว้เมื่อได้ทรงจำาทันธรรมนั้นไว้ธรรมนั้นย่อมทนต่อกันเพ่งพิสูจน์ เมื่อธรรมะนั้นทนต่อกนเพ่งพิสูจน์เธอย่อมมีฉันทะเมื่อมีฉันทะเธอย่อมมีอุตสาหะเมื่อมีอุตสาหะเธอย่อมหาสมดุลแห่งธรรมนั้นเมื่อเธอหาสมดุลแห่งธรรมนั้นได้เธอย่อมตั้งอยู่ในธรรมนั้นด้วยการกระทำอย่างนี้เธอย่อมรู้แจ้งธรรมนั้น ด้วยนามกายด้วยและเธอนั้นร่อมรู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภาละทวาชะนั่นเพียงแค่เป็นการตามรู้ซึ่งสัจจะเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นการบรรลุซึ่งธรรมะสัจจะนั้นถ้าแต่พัสมนาพัสมะโคโดมผู้เจริญ พะสมะโคดมผู้เจริญบัญญัติการบรรลุสัจจะนั้นอย่างไรบุคคลพึงกระทำการบรรลุสัจจะนั้นได้อย่างไรดูก่อนพาละทวาชะด้วยการเสพครบด้วยการทำให้มากด้วยการเจริญให้มากซึ่งทำเหล่านั้นทั้งส2บสองประการตถาคตบัญญัติการ บรรลุสั จ, จด้วยธรรมเหล่านั้นเพียงเท่านั้นไม่มีประการอื่นอีกต่อไปต่อมากมากไปกว่า น, นี้นก็ตรรมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา